ดับตอนนี้ไปให้พากันตั้งใจตั้งใจภาวนาคือตั้งใจปฏิบัติและก็ตั้งใจตั้งใจฟัง <c oughs> การปฏิบัตินะ <c oughs> ันเป็นประโยชน์มาก คือเจยวก็ทิฏฐธรรมิกะศัพประโยชน์คือประโยชน์ปัจจุบันอันที่เราจะควรได้ <c oughs> และจะพึ่งได้จะพึ่งถึงซึ่งเรียกว่าทิฏฐธรรมิกะประโยชน์คือประโยชน์ปัจจุบัน ทุกคนเขาก็ต้องการทางนั้นนหละแม้แต่งานภายนอกถ้าประโยชน์ปัจจุบันไม่มีพวกเราก็คงจะไม่ทําคงไม่ทํางานที่เราทํางานอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะประโยชน์คือประโยชน์ที่เราจะต้อง ได้จากผลงานอันที่เรากระทำนั้นเราก็จึงได้พากันกระทำที่เรียกว่าชิธรรมนีกับสประโยชน์มีประโยชน์ภายนอกประโยชน์ภายในที่เราจะต้องพึ่งได้จะพึ่งถึงเราก็ไม่ต้องการอะไรให้มากนักที่ว่าประโยชน์ ภายในคือเราต้องการความสงบซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติผลลัพธ์ของการภาวนาเราจะต้องให้ได้รับในปัจจุบันคื่อเอาความสงบในปัจจุบันในขณะที่เรานั่งประโยชน์ ของความสงบนั้นย่อมยังความสุขให้เราได้ในปัจจุบันถ้าสงบในขณะนี้มันก็มีความสุขในขณะนี้ก็มันก็ได้ประโยชน์ในขณะนี้เราไม่ได้คอยว่าทําวันนี้แล้วจะไปเอาผลวันหน้า ทำชาตินี้แล้วจะไปหวังผลในชาติหน้าเราก็ไม่ได้คอยถึงขนาดนั้นคือเราต้องการต้องการปัจจุบันซะก่อนปัจจุบันที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละคือยังความสงบนั่นะให้มันเกิดขึ้น เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เรียกว่าทิฏฐะทำมิกระตับประโยชน์ที่นี่ก่อนที่มันจะมีความสงบนะเราก็อย่าฟังเฉยเฉยอย่าฟังเอาแต่เฉพาะเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาสาระหรือสำนวนคำพูดเฉยเฉย เราทำใจของเราไปด้วยนะใจของเราที่จะให้สงบได้โดยวิธีไหนนะเราก็เอาอันนั้นนะ่ะเราก็อย่าฟังเฉยๆเราควรที่จะกำหนดจิตของเราไปด้วยจิตของเรานะ่ะมันอยู่ที่ไหนนะเราก็ควรจะหานะ ประโยชน์อันใหญ่หลวงก็มันก็อยู่ตรงนั้นนะถ้าพูดแล้วก็คือทั้งสามประโยชน์ทิฏฐะทำไม่กัจตประโยชน์มันก็อยู่ตรงนั้นนะโลกาถประโยชน์คือเราเพื่อทำประโยชน์ให้โลกมันก็อยู่ตรงนั้นแต่เรามาัทธประโยชน์ก็คือประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ได้แก่พระนิพพานที่ในประโยชน์ทั้งสามมันอยู่ที่ไหนเชถ้าหากว่าหัวใจของเราไม่เป็นผู้สั่งและไม่เป็นผู้ทาไม่เป็นผู้รู้และไม่เป็นผู้ได้แล้วประโยชน์ทั้งสามนั้นน่ะนันจะไปอยู่ไหน มันก็อยู่ที่หัวใจของเราเน่นะเมื่อเรามาฟังธรรมเนี่ยฟังเพื่ออะไรถ้าเราไม่หวังประโยชน์ในทางด้านจิตหวังประโยชน์ในทางหัวใจเราก็คงก็เราก็คงจะไม่มาทำทุกคนก็ห่วงหัวใจกันทั้งนั้น รัวว่าใจตัวเองนะั่นน่ะจะไปตกทุกข์ได้ยากลำบากกากกรรมนะในข้างหน้าให้กระหงนะ่งแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ทุกข์ให้เห็นอยู่แลนะ้วมันก็เรื่องของทุกข์ใจก็ได้แก่ความวุ่นวายนะ่ะวุ่นวายในตัวเองนะ่ะ แต่มันก็อาศัยสิ่งที่จะให้เกิดขึ้นซึ่งความวุ่นวายคือของภายนอกซึ่งมันจอนมาเรียกว่านิพัสทุกกระทุกจอนมาละ่ะทุกในทางตาตาที่เราได้ประสบของไม่ดีมันก็เป็นทุกก็ทุกในทางหู หัวได้ยินของที่ไม่ดีมันก็เป็นทุกข์หรือได้ยินของที่ดีก็เป็นทุกข์เพราะเราเกิดความต้องการปรารถนาอยากได้จมูกถูกกินไม่ดีมันก็เป็นทุกข์และถูกกินที่ดีมันก็เป็นทุกข์เพราะเราปรารถนาอยากได้สิ่งที่เราได้ประสบซึ่งว่าความดีในจมูกนั้น เลี้นก็เช่นเดียวกันกายของเราก็าเช่นเดียวกันอันนี้มันทุกข์จรที่นีนเมื่อทุกข์จรมาน่ะใครเป็นผู้รับภาระภาระทุกทุกคนก็ต้องบ่นบายเ อ, อต้องบ่นกันอยู่ทุกคน่ะวุ่นวายกันทุกคนแต่แล้วคนก็มีความวุ่นวายกัน แล้วเกิดความกระสับกระส่ายบางครั้งก็ถึงกับนอนไม่หลับมันก็นอนไม่หลับจริงๆนั่นแหละเมื่อประสบเหตุการณ์ขึ้นมานะสามวันสามคืนมันก็นอนไม่หลับข้าวมันก็ยังรับไม่ได้มันเป็นทุกข์ถึงขนาดนั้นนี่มันทุกข์จรมานะทุกข์ใครนอก แต่มารวมอยู่ภายในคือใจเป็นผู้รับภาระแม้จะเกิดขึ้นข้างนอกก็ตามมันก็มาทุกอยู่ภายในเนี่ยก็คือใจนั่นหละที่ในเมื่อเรามาทำใจของเราน่ะให้เข้าไปสู่ระบบของความสงบกัน ความสงบเนะั้นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นไม่ใช่อยู่ข้างนอกความสงบนะั้ยมันอยู่ข้างในนะให้สงบข้างในข้างในมันอยู่ตรงไหนล่ะในมันที่ไหนจะนอกจากในท่ำกลางหน้าอกของเราหรอในท่ำกลางช่องอกของเราหรอ มันก็ไม่มีอะไรที่จะในนอกเหนือจากนี้ไปนอกเหนือไปจับช่วงอกของเรานะเวลามันสงบมันก็สงบตรงนั้นอนะ <c oughs> เราจึงดึงเอาความชิดของเรานะ่ะอันที่มันเกิดความพุ่งสร้างไปกระหูกระตา <c oughs> เราจะย่นเข้ามาอยู่ภายใน เราไม่ออกไปหากตามกระแสของโลกและจะไม่ตามอารมณ์ของโลกเราจะพยายามดึงเข้ามาเนี่ยดึงหัวใจของเราเข้ามา เ, เข้ามาตั้งไว้ในถ้ำกลางมันจะสงบไหมโดยมากคนก็มักจะปฏิเสธกันนะในสมัยนีนะ้ถือว่ามันเป็นไปไม่ได้ ดอกความสงบเป็นไปไม่ได้ก็ ม, มีแต่ปล่อยจิตของตัวเองก็ไปตามอารมณ์ก็ไม่รู้ว่าจะให้มันได้อย่างไรก่อนที่มันไม่ได้ก็เพราะเราไม่ฝึกนันนะแต่โดยมากมันไม่ค่อยจะฝึกจิตมันก็ฝึกไปแต่ข้างนอกแต่ไม่ค่อได้ฝึกกันข้างใน แล้วมันฝึกไปตามสายหูสายตาไปหมดฝึกไปตามหูตามตากันไปหมดแล้วก็ไปตามข้างนอกกันหมดแต่มีใครเล่าจะสนใจที่จะฝึกให้มันเข้าไปอยู่ข้างในอันเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาเนี่ยที่เขาเกิดมาครั้งแรกเขาอยู่ตรงไหนเขามาครั้งแรกเขามาอยู่ตรงไหน เขามาอยู่กับตาหรือเข้ามาอยู่กับหูหรือเขาก็ไม่ได้ไปอยู่เขาอยู่ข้างในอันเป็นจิตเกิดของเขาอันเป็นที่อยู่ของเขาแต่เราก็ไม่ได้พากันเข้าไปก็คิดว่ามันทําไม่ได้ก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าความสงบทุกวันนี้ก็เป็นไปไม่ได้จะเป็นได้ก็เฉพาะครังพุทธกาล เราก็ยกไปโน้นจะหมดที่นี่เราก็ไม่ได้คิดเอาในท้ากลางหน้าอกของเราอันที่มีอยู่ในปัจจุบันเราก็ไม่ได้คิดเอาตรงนี้ที่นี่เราก็ไปกลัวความสงบอีกด้วยที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะให้มันมีความสงบได้อย่างไร แล้วก็กลัวความเสียหายด้วยถ้ามันสงบเราคิดว่ามันจะเสียหายคิดว่ามันจะทำอะไรไม่ได้ก็ความเข้าใจก็มีจะไปทำนองนั้น <c oughs> แล้วหาแต่ความรู้แต่พตทธภูมิไปแต่ความรู้อันที่มันจะเกิดขึ้นจากความสงบนั้น ก็โดยมากว่าค่อยจะทำกันเท่าไรนักก็เพราะเราไม่ได้สนใจคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มันเป็นไปไม่ได้นั่นแะเราจะต้องทำให้มันเป็นไปได้เราต้องทดสอบดูสิความสงบมันจะเป็นไปได้หรือไม่จิตมันจะมีความสงบได้หรือไม่ แต่ความวุ่นวายมันก็จะทําไมถึงวุ่นวายได้ความฟุ้งซ่านมันทําไมถึงฟุ้งซ่านได้แต่มันสงบเนี่ยมันจะสงบไม่ได้เจ้าหรือเราก็ต้องคิดและพิจารณากันเสียบ้างคิดว่าเราทํางานทําการคิดว่ามันจะสงบไม่ได้หรือเวลามันสงบล่ื มันไม่ได้เกี่ยวเนี่ยก็เหมือนกับเวลาที่เราจะหลับจะนอนน่น เ, นเวลามันหลับมาเวลามันง่วงมาเนี่ยงานมันจะสมหัวอยู่ก็ตามแต่มันไม่ยอมรับงานนะแต่มันยอมรับเอาความหลับนะมันก็ยังรับมันก็ยังหลับไปได้เราจะเอาแต่งานแต่การมาอ้าง แล้วจะทำจิตของเราเนะ่ะให้มันเป็นไปตามงานตามการกันเสียหมดคิดว่าความสงบนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้ก็เลยปล่อยทิ้งปเสี้ยนะงานของเราก็เลยดึงเอาหัวใจของเราไปหมดแท้ที่จริงเนะ่ะเวลามันจะสงบเนะี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่ความสงบมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะสงบไปตอลอด ตลอดวันคือมันก็ต้องสงบไปเป็นภักกภักกแต่ในขณะที่เรามาปฏิบัติอย่างนี้แหละและเราก็ลองฟังอยู่ในขณะนี้แหละเราก็ลองกาหนดเข้าไปดูซิแล้วก็ตั้งสติของเราเอาไว้ดูซิแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ดู ที่มันคิดน่ยมันอยู่ตรงไหนนะความพุงแรงมันอยู่ตรงไหนความพุ่งสร้านมันอยู่ตรงไหนความวุ่นวายมันอยู่ตรงไห น, นเราก็ตั้งข้อสังเกตของเราเอาไว้ตรงนั้นนะแล้วสติและสัมปชัญญะของเราก็เป็นผู้รับรองสำหรับที่จะแก้ปัญหา แล้วเราก็เอาคำบริกรรมคำใดคำหนึ่งนั่นแหละคำไหนที่มันจะทำให้เราสงบได้นะเราก็เอาคำนั้นแต่ก็ะโดยมากที่เราบริกรรมกันอยู่ก็คือพุทธโธนัะนะ่นแะก็เอาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพาเจ้านะคือพระนามของท่านนะก็ไปตั้งไว้ตรงที่ ที่มันวุ่นวายนะ่ะที่มันพุ่งซัดนนะ่ะก็พร้อมไปด้วยสตินั่นนะก็ลองดูซิว่ามันจะสงบไหมถ้าเราส่งไปข้างนอกไปตามกระแส อ, อารมณ์ทั้งหมดน่ะมันก็ไม่สงบแหละมันก็วุ่นวายไปตามอาการของโลกไปหมดเนะพราะโลกมันก็วุ่นวายอยู่แล้วนะ ที่นี่เราจะหลบโลกจะหลบเข้าไปข้างใน่ปเข้าไปในสถานที่ของเขาที่เขามากันแต่แรกเกิดคือมันอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่ข้างนอก <c oughs> สถานที่ของเขามันเป็นอย่างไรที่เรามาอาศัยเขาและอาศัยเขามา เรควรที่จะเข้าไปดูสถานที่ของเราบ้างสิว่ามันมีอะไรที่เมื่อมันมีความสงบในเมื่อที่เราเข้าไปสู่สถานที่่ที่ในความสงบนั้นมันให้ผลอะไรก็เราต้องการอะไรนะ่ก็เราต้องการบุญเนะ่ย จะทำอะไรเราก็ต้องการบุญท้งนั้นก็บุญนั้นน่ะก็จะปรากฏปรากฏสำหรับที่จะรองรับเอาสิ่งที่เราต้องการก็คือความเป็นบุญก็วความสงบนั่นแหละก็คือความบุญหรคือความเป็นบุญ สงบนั้นก็คือยังความสุขให้เกิดขึ้นก็เมื่อความสุขมันเกิดขึ้นจากจิตแหละจิตอันที่มันมีความสงบแล้วก็ไม่ใช่บุญหรือนะ่ะหรือว่าบุญอยู่ตรงไหนเราหาบุญเราหาที่ไหนเราหาบุญก็คือหาความสุขไม่ใช่หรือก็ต่อเมื่อจิตของเรามีความสงบและมีความสุขมันเกิดขึ้น นั้นไม่ใช่ตัวบุญห ร, หรือว่าตัวบุญอยู่ที่ไหนหรือเราจะไปหาตรงไหนเราบุญนะั้นไปื่อคอยเราอยู่ข้างหน้าแล้วไปื่อคอยอยู่ตรงไห น, นทั้งที่ความสุขอันบังเกิดขึ้นในความสงบในจิตของเราเนะ่ยซึ่งเราได้รับผลในปัจจุบันดานั้นหละเรียกว่าความอานั้นแหะเรียกว่าตัวบุญ ถ้าบุญมันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะตรงที่มันฟุ้งซ่านะแต่ความฟุ้งซ่านของเขาเขาก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านอะไรนะเขาก็ฟุ้งซ่านหาความดีนะเขาก็วุ่นวายหาความดีนะกันในเมื่อเขาวุ่นวายมาเขาก็ต้องการความดีน่ะไอ้ความดีน่ะมันอยู่ตรงไหนหนอความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นน่ะ มันก็ต้องการมันก็ต้องการความดีน่ความฟุ้งซ่านมันก็เกิดขึ้นมันก็ฟุ้งซ่านไปหาทางดีมันก็หาความดีแต่ว่าความดีมันอยู่ที่ไหนตอนนั้นน่ะมันก็หาเขาท่านแต่แท้ที่จริงมันก็อยู่กับมันน่ะอยู่กับความฟุ้งซ่านกับต้นมันอยู่ตรงไหนนั่นน่ะถ้าระงับตรงนั้นได้ พอความสุขมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นกระบนมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นก็ความดีก็เกิดขึ้นในเขานั่นทำคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งแปดหมืนสี่พันเทธรรมะขันน์มันอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ตรงท่านผู้รู้ผู้เดียวนี่ไม่ใช่หรือ เราก็ยังทราบกันอยู่แล้วอะทำทั้งหลายก็มาอยู่ที่ใจอันเดียวเราก็ทราบกันต่อเมื่อเราได้ใจของเราเนอะบุญเราก็ได้พระธรรมเราก็ได้ได้ยังไงพระธรรมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตัวเน่ะไม่ใช่ว่ามันจะน้อย เหมือนกับความคิดนะมันก็เกิดขึ้นในตัวของเขานั้นนะ่ะสิ่งต่างๆซึ่งเราไม่เคยรู้เคยเห็นนะมันก็มีมาในตัวของเขามันเกิดขึ้นในตัวขเขานั่นแหละความรู้ทั้งหลายมันเกิดขึ้นในนั้นนะที่ว่าสันติโก ผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ย่อมรู้เองเละเห็นเองธรรมะ ม, มันเกิดในนั้นนะจะเป็นฌานก็าตามเป็นญาณก็าตามฌนะานมันไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะญาณก็ไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะหนังสือนท่านบอกบอกว่าฌานก็อยู่ข้างใน ญาณมันก็อยู่ข้างในมันก็อยู่กับใจนะเมื่อเราไปท่องบนสาทยายได้แล้วเราจะคิดว่าเราได้ก็ยังไม่ใช่เพราะใจของเรามันยังไม่เต็มเพราะใจของเรามันยังไม่มีทุกสิ่งอย่างนะ่ะมันอยู่ในตัวของเรานะี่พร้อมหมด ถ้าแต่ที่อยู่อาศัยในข้างหน้าอย่างสุขติก็ตามพรมโลกก็ตามหรือว่าที่สุดก็คือพระนิพพานก็ตามไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่กับคนคนเดียวนั่นก็คือหัวใจเราเนี่ะเดี๋ยวนี้หาใจให้มันเจอซะก่อน ที่เราต้องการที่จะให้หาใจตัวของตัวเองให้เจอก่อนแต่สาหรับความรู้ของเราท่านทั้งหลายมันพร้อมอยู่แล้วตำลับตำลาที่ไหนเราอ่านมาหมดประเทไหนประเทไหนก็รู้มาหมดยังเหลืออยู่ใจอันเดียวที่เรายังไม่เห็นอยู่ที่ยังไม่รู้ที่รู้ก็รู้โดยธรรมชาติรู้โดยความฟุง่งซ่า รู้เร่ความวุ่นวายอันนี้มันรู้ของมันอยู่แต่มันจะรู้เรื่องมาจากความสงบนั้นที่ความสงบที่มันจะเกิดขึ้นในจิตแล้วความรู้ที่มันจะเกิดขึ้นในความสงบนั้นไอ้ตรงนี้ที่เรายังไม่ได้ปรากฏเราก็คิดว่ามันจะไม่มีอะไรยางชาทพบของเรา ที่เรามาจากที่ไหนที่มาอยู่ปัจจุบันมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันแต่ก่อนมันเป็นอะไรมาและมันนำอะไรมาบ้างมันก็รู้ประย่างนั้นรู้เรื่องของตัวเองที่เป็นมาและก็รู้เรื่องของตัวเองที่นาอะไรมาอย่างที่ว่าเราที่ มีความเดือดร้อนกันอยู่ยทุกวันเนี่ยคือเจ้ากรรมนายเวรนะทนี่ยทีนีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะใครใครก็ว่ากันอยู่ทั้งทั้งนั้นนะ่ะแต่มันมาจากไหนและใครเป็นผู้เอามาและมันเกิดขึ้นที่ไหนนะแต่เราก็ว่ากันอยู่นะ่ะ แต่เราก็มาทำพิธีนะบางอย่างนะมันก็แก้เคล็ดออสิ่งเหล่านั้นมันก็ยังมีส่วนลดน้อยถอยลงไปแต่ว่าผู้เอามานะ่ยมันคือใครนะเราก็อยากจะไปสืบสวนทวนหาดูว่ามันเป็นมาจากที่ไหนและมันเป็นยังไงที่เราว่ามาจากอาดีตชาติ หรือบอกมาจากชาติทนหลังที่ในชาติทนหลังน่ะมันอยู่ตรงไหนนะและทายังไงเราจะรู้ว่าชาติทนหลังและทายังไงเราจะรู้เจ้ากรรมนายเวรที่มันนำมาก็มีจะพากันบ่นกั น, น, กนว่าแล้วก็พากันแก้กันไปตามหน้าที่ของเราเท่านั้นก็คือทาบุญสุนทานไปมาก็หายบไป แต่เราก็อยากจะรู้ว่าตัวจริงแล้วจริงเนยมันอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวเอาไว้ก็เรื่องของกรรมแต่ตอนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นนุตะสมมาสมโพธิญาณที่พระองค์เกิดญาณขึ้นอย่างว่าจูโตปัตญาน ก็รู้จักจิตีของสัตว์รู้จักการเกิดของสัตว์และรู้จักการมาของสัตว์และรู้จักการไปของสัตว์กัยานตัวนี้นะพระองค์รู้นะแล้วก็พระองค์ก็จึงเอามาสอนอเนี่ยในเรื่องของกรรมของเวรใ้เรื่องของชาติเรื่องของพรใ้เรื่องชาติเรื่องพรพระองค์ก็รู้ได้โดยวิธีไหน ก็พุเทเธนิวาสานุสติยานเรื่องชาติของพระองค์พระองค์รู้มาหมดนี่เฉพาะชาติของพระองค์แต่จูตูปัตยานรู้จับชาติของสัตว์ที่มันตายจากนั้นแล้วก็ไปเกิดตรงนั้นและเกิดมาแล้วมันทำอย่างนั้นและมันตายไปแล้วมันก็ไปเป็นอันนั้ น, น, นแล้วมันก็หอบกรรมหอบเดนของมันไปอย่างนั้น อันนี้แหละพระองค์นะับเป็นผู้ตัดมาแล้วพระองค์รู้ได้โดยวิธีไหนพระองค์ดูได้รู้ได้ด้วยตาหรือไนเราก็ควรคิดถึงเราจะมีสินแย้เรียกว่าสมาทานสินมีสินห้ามีสินอุโบสถหรือว่าสินจิตสินจงรอยี่สิบเจ็ดหรือจะสินอะไรก็ต่าง สินก็แปลว่าการรักษากายวาจะให้เรียบร้อยจะชินมากชินน้อยก็ต่ามถ้ากายวจาจะของเราให้เรียบร้อยปราศจากโทษแต่เราก็เอาศินนั่นแหละที่มาแก้กันอยู่ทุกวั น, นก็พอบรรเทากันไปบ้างแต่ส่วนทานก็คือการเสียสละเพื่อจะเอาชนะถึงขั้าสึกคือความมัธยิยะ ได้แก่มัจฉริยะคือวันต์นี้เราก็แก้ปัญหาจากนั้นนะแหะแต่ว่าทานแต่ว่าสินภายนอกเนี่ยก็พอแก้ปัญหาของเราได้แต่สินภายในเนะ่ะคุณสมบัติของสินนะที่มันอยู่กับจิตเนะี่ย ที่จะนำให้ฌานและให้ยานปัญญาที่เราเกิดเพื่อจะได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เราได้เป็นมาตั้งแต่อดีตต่อชาติก็เรื่องของกรรมของเวรน่ะใครเป็นผู้นำเอามาทั้งทั้งที่ว่าเขาก็หาตัวตนไม่ได้อย่างจิตมันก็ไม่มีตัวมีตน ยังเจ้ากรรมในเวรมันก็ไม่มีตัวมีตนมันก็พอๆพอกันอนะมันมาด้วยกันนะแต่เมื่อมาอาศัยร่างของมนุษย์แล้วมันก็นําเอามาจะทีนไหแล้วมันก็มาสนองแล้วยังให้เขานั่นอนะตัวของเขาเองนะั่นอะเกิดทุกข์ขึ้นมาแต่มันก็มาทาให้ร่างของเรานี่แหละอัน ให้เป็นไปโดยที่เกิดความเดือดร้อนในยมายังทุกข์ให้เกิดขึ้นแต่กับคู่ที่อยู่ข้างในนั่นแหละที่นี่ผู้ที่ไม่มีตัวตนนั่นแหละก็เป็นภาระที่จะต้องรับรับกรรมรับเวญอิกแล้วกรรมเวรนั่นะมันไม่มันไม่น่าที่จะปรารถนาแต่มันก็ยังตามมาได้ แต่ก็ยังดีว่าเรายังมีกุศลเป็นที่รับรองตัวของเราอยู่แต่สิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่านานๆครั้งถ้ามันจะมีตลอดคิดว่าเราจะคงอยู่ไม่ได้แต่เราก็ยังอาศัยกุศลลกรรมกรรมที่เป็นกุศลนั้นสนองให้เรา ยังให้เรานั้นมีความปกติและยังมีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์และเราก็ยังทำมาหากินได้นี่ส่วนกรรมดีมันก็ต้องมาสนองและมารองรับเมื่อกรรมดีมาสลรองรับแต่กรรมที่ดีนั้นเราทำที่ไหนและมันเกิดขึ้นตรงไหน แต่เราก็หาได้ทราบไม่ว่าอยู่ชาติไหนต่อเมื่อเราทำจิตทาใจของเราให้มีความสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิแล้วก็มันก็จะได้เกิดความลูกแกงเห็นจริงตามความเป็นจริงที่ในเมื่อจิตของเราขาดความเป็นสมาธินะขาดความสงบแล้ว เราก็ได้รู้แต่ในตำลานะ่ะและเราก็ยังปฏิบัติในตำรามันก็ยังดีอยู่แต่จะให้มันเกิดขึ้นจริงๆและจะได้รู้จริงๆและเราก็จะได้ไปแก้ปัญหามันจริงๆและจะไปแก้ต้นเหตุมันจริงๆต้นเหตุมันมาจากไหนล่ะต้นของกิตต้นของกรรมเบะ มันก็มาจากกิเลสเดนั่นนะถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่ทํากรรมนั่นแหละต้นมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะดังนั้นละ่ะเราจึงจะทําจิตใจของเราให้เกิดความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วแล้วเราก็จะได้ไปค้นหาความเป็นจริงอันที่มันมีมาในตัวของตัวเองมันมีทั้งดีและมันก็มีทั้งชั่ว มันมั่วกันมาในนั้นแล้วเราก็จะได้ไปเลือกคัดจัดสรรด้วยตนเองคือเราจะไปกันกองด้วยตนเองที่เรียกว่าสันคิตติโกนะให้รู้เองเลยเห็นเองแล้วก็เราจงองจัดการด้วยตนเองปจัจจตังเราก็รู้เฉพาะตน เราก็จะเข้าไปแก้ไขมันอย่างนี้นะแต่ส่วนความดีของเราทั้งหลายถึงเราทำกันอยู่นะมันก็ดีอยู่แล้วล่ะก็เป็นสิ่งที่จะรับรองเราอยู่ก็พวกนี้แล้วก็จะได้เป็นอานิสงส์ในข้างหน้าเราก็ยังหวังอานิสงส์แต่อานิสงส์ก็เป็นอย่างนี้แหละคือเราได้มารับกุศลกรรม กรรมที่เป็นกุศลให้เรามีความสุขความสบายตามหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์นี่เขาเรียกว่ากุศลกรรมอันที่เราทำนี่ก็เป็นกุศลกรรมแล้วก็จะเป็นอนิสงส์ในข้างหน้าแต่ส่วนที่เจ้ากรรมในเวรมันก็ตามไปอีกพวกนี้มันล้างแค้นพวกที่แก้แค้นมันก็ทำก็ตามกันไปไม่มีที่สิ้นสุดหรอก แล้วจะไปหยุดกันเมื่อไหร่ก็ อ, องค์สมเด็จพระผู้มีพระ ภ, ภาคเจ้านะี่ยก็พระองค์ก็ได้หนีกับพระอันนี้แหละที่พระองค์หนีเนี่ยนะแหนจะพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งก็หนีก็หนีเพราะอันนี้แหะก็หนีเรื่องของกรรมของเวรเนี่ยนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้ากับเทวทัดเนะเคยเป็นมิตรเป็นสหายกันนะ ก็เป็นพ่อข้าทองแต่เทวทัดนั่นก็ไปบ้านหลังหนึ่งแล้วไปเจอทองเยอะแล้วก็ไปติดต่อเอาไว้แต่ตัวเองนั่นให้ก็ให้ราคาเขาน้อยเขาไม่ยอมขายให้แต่ว่าเพื่อนคือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยแนะต่ก่อนก็สเสวยพระชาติแล้วก็ไปที่หลัง แล้วก็ไปถามบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นก็มีทองเยอะแล้วพระพุทธเจ้าเรานี่แ่ะก็ให้เหมาะสมกับราคาที่เขาต้องการแล้วเขาก็เลยขายเมื่อเขาขายให้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็ไปตามหน้าที่วันหลังต่อมาเทวทัตไปเมื่อไปแล้วก็ไปเห็น บ้านหลังนั้นก็ขึ้นไปถามก็บอกว่ามีขาออกไปแล้วนะชื่อนั้นชื่อนั้นนะก็ถือว่าเป็นเพื่อนและเป็นสหายของตัวเองเท่านั้นเลาปลูกอาคาตเมื่อปลูกอาคา่ะแล้วก็มากองดินกองทรายขึ้นแล้วมากวดทรายขึ้นเมื่อกวดทรายขึ้นแล้วก็มาอธิษฐาน แล้วขอเป็นศัตรูกันทุกภพทุกชาติเท่าเม็ดดินเม็ดทรายที่กองอยู่นี่ น, ะนั่นเราผูกอาฆาตที่ในความผูกอาฆาตอันนั้นแหละก็ไปอยู่ชาติไหนก็าตามพบไหนก็าตามก็ตามสังหารพระพุทธเจ้าอยู่ทุกภพทุกชาติแล้วก็เป็นศัตรูคนอยู่ทุกภพทุกชาติ จนตลอดถึงมาเป็นสิทธัตถราชกุมารในบรรดสุดท้ายที่ได้เป็นตัศรุที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าคือตัศรุเป็นอนุตตรสมรัสมมาสัมโพธิญาณแล้วก็มาแยกทางกันแล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมาอยู่ในตระกูลกันอีกก็ยังมาเป็นลุงของพระพุทธเจ้าอีก พระพุทธเจา้าเขายังได้เอาน้องสาวน่นมาทำเป็นอครมเหสนะีตอนที่ยังสเสวยพระชาตนะิแล้วก็ได้ออกมาบวชบวชแล้วก็เป็นพระพุทธเจา้าตัวเองก็ไปบวชตามน้องเขยอยูนะ่แล้วก็ตามบังแกอีกแล้วก็อยากความอยากได้ความเป็นใหญ่ผลสุดท้ายก็แผ่นดินสูบใช่ไหมแล้วก็แยกทางกันซะเทวทัตก็ลงสู่อเวกีจ้ะ พระพุทธเจ้าก็ไปสู่บริญิพานก็เลยเลิกกันตรงนั้นกรรมที่มันเกี่ยวข้องกันมาทุกเม็ดดินเม็ดทรายก็เลยมันจบกันตรงนั้นนี่ความอาฆาตนะความผูกพันในทางจิตเท่านั้นนะ่ะความยึดมั่นในทางจิตเรียกว่าอุปทานก็ดีหรือว่าอุปธิก็ดีอุปทานก็คือยึดเอาไว้ อุปธินี่ก็หอบเอาไวนะ้มันก็เนื่องมาจากอะไรนะเนื่องมาจากจินตเวสใช่หนี่แหละมันเอามาอย่างนี้นะตอนที่พระพุทธเจ้าได้มาตรดสรู้เนี่แหละก็จึงรู้เมื่อภายหลังแต่ก่อนก็คงยังไม่รู้มาะเมื่อมาตรัสรู้แล้วก็จึงได้รู้ว่าเทวทัต ผู้เป็นลุงเราเน่ยซึ่งเป็นศัตรูมาทุกภ์ทุกชาติก็มารู้ตอนที่วัดตัดสู้แที่นี่อันส่วนเราทั้งหลายแ่ะที่เราผูกอาฆาตกันอยู่แหละเคยอธิษฐานกันมากแะเราก็ยังหาได้รับทราบหม่นะเพราะฉะนั้นอย่าได้พากันประมาท จงพยายามกระทำจิตกระทำใจของตัวเองให้เป็นไปในทางความสงบให้สงบในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพุทโทธนั่นนหะก็ลงสู่ในทํำกลางหน้าอกของเรานั่นแหละแล้วก็จะได้เกิดปัญญายาณขึ้นมาเหตุการณ์อันที่มันจะเกิดขึ้นมาในผลหลัง แล้วมันจะรู้ด้วยตนของตนเองที่ว่าเป็นปัจจตังอันนี้มันเป็นความรู้ที่แปลกแต่คนเรานะ่ะสมัยนี้ก็คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ก็เลยไม่ได้พากันสนใจที่จะทำเทเลนักและก็ไม่ค่อยจะพากันเชื่อเท่าเลนักก็ลองทำใจให้มันสงบดูซิว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่และมันจะมีความจริงอะไรหรือไม่ ก็ให้มันสงบดูสิการเรื่องของตัวเองน่ะแม้กระทังถึงเรื่องของคนอื่นก็อาจจะมาปรากฏบ้างคือมันจะต้องประสานกันที่จะให้เรารู้เพื่อจะได้เกิดความเบื่อหน่ายของโลกมันก็ต้องประสานกั น, นทั้งที่เรื่องของตัวเองทั้งที่เรื่องของคนอื่นทั้งที่มันเป็นศัตรูกันมาน มันเป็นศัตรูกันในทางกิเลสเนี่ยนะมันเป็นศัตรูในทางความคิดและมันผูกอาฆาตจนมาด้วยความยึดมั่นและถือมั่นนะเรียกว่าอุปทานบั่งและอุปธิบั่งและมันก็เป็นอนุสัยมันก็นอนเรื่องอยู่ในหัวใจเรานี่ยนะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงมันเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้นะ เพราะฉะนั้นเราอย่าได้พากันมีความประมาทพอทำได้ก็ทำไปและเมื่อจิตของเรามีความสงบแล้วสิ่งที่มันจะชั่วร้ายต่างๆนาน า, นาประการมันก็จะได้ลดลงและเราก็จะได้เลิกในการกระทำในสิ่งเหล่านั้น แความบริสุทธิ์ของเราก็จะบังเกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเองนี่ต้องการให้พวกเราพุทธบริษัทอยากให้พากันเข้าใจกันเสียบ้างในเรื่องของความสงบนะเราจะมาว่าจะพุทโธพุทโธเฉยๆแล้วก็จะแล้วไปถือว่าตัวเองได้มันก็เข้าใจนี่มันมันมันตื้นเกินไป ถ้าเป็นพุโทโธจริงๆน่ะมันจะต้องมีความสงบด้วยนะเพราะมันเป็นหลักของสมถะสมถะก็แปลว่าอุบายที่จะทำใจให้สงบเราจะมาบริกรรมแช่พุโทโธพุธโทโธก็ถือว่าเราได้อันนี้มันก็ยังง่ายเกินไปจะทำให้ใจของเราประมาทรสชาติของความเป็นพุโทโธนะ่ะ มันไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนถ้าจิตมันสงบละด้วยพุทโธละรสชาติอะไรที่จะมาเท่าดะความวุ่นวายทั้งหลายมันก็หายหมดความฟุ้งซ่านทั้งหลายมันก็หายหมดความเศร้าหมองของจิตมันก็จืดจางไปหมดมันทั้งเบาตนเบาตัวเบากายเบาใจลงอกลงใจ มันสดใสในตัวเองมันพร้อมไปหมดนั่นนหละถ้ามันสงบกับพุทโธแต่เมื่อมันสงบแล้วมันก็ไม่ได้ว่ายากหรอกที่มันว่าอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือมันยังไม่สงบถ้ามันสงบแล้วเป็นแค่เพียงว่ากาหนดจิตเท่านั้นลหละจิตมันก็โวกลงไปในท่ามกลางส่วน อ, อกของเราทันที แล้วมันก็ไปเกิดความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในตรงนั้นและเราก็จะได้รู้เจ้ากรรมในเวรที่มันเป็นมามันก็จะรู้กันตรงนั้นแ่ะมันจะได้ลบกันตรงนั้นอันนั้นะเป็นสนามลบและเป็นเวทีสำหรับที่เราจะต้องไปลบกันก็คือท่ามกลางนาอกของเรานันละเวลาสงบมันไม่ได้ไปสงบที่อื่นเวลาจะลบกันมันก็ไม่ไปลบที่อื่นหรอกไลบกับจิตหล เราจะไปสู่สุขติหรือจะไปสู่พระนิพพานก็ไปตรงนั้นนะพากันเข้าไปดูในขณะที่เรากำลังที่จะมีกำลังสำหรับที่จะต่อสู้กับการปฏิบัติของเราได้ถ้าหลังจากนี้ไปแล้วแนะมันจะยากนะการปฏิบัติของเราจะยากนะเพราะสุขภาพ สถานที่อยู่อาศัยของเรามันก็จะไม่อำนวยนะก็ความชั่รุตสุดโทมมันก็มีโดยธรรมชาติก็คือความแก่ความเจ็บความตายมันมีอยู่แล้วนะอันนี้เรารู้ละ่ะถ้าเรามาถึงอย่างนั้นนะ่ะคือความแก่ความเจ็บความตายมาถึงแล้วนะเราจะทำได้หรือทำไม่ไดนะ้นี่จะคอยที่ว่าวันไหนจะนั้นะ สุดท้ายวันไหนเท่าไหมันก็มีจะคอยจะไปในขณะที่เรากำลังที่จะทำได้พอที่จะทำได้ก็อย่าพากันประมาทงานเราก็ทำไปเถอะก็ไม่เป็นไรหรอกแต่จิตใจของเราก็กำหนดไปเถอะก็ไม่มีผิดอะไรมันจะได้เมื่อไรก็ค่อยว่ากันเมื่อไหร่หลังเถอะต่ขอให้ทำขอให้รักษา เพื่อรักษากจิตนั่นแหละเมื่อต้องไปรักษาอะไรให้มันมากหรกรักษาตัวเดียวนั่นแหะเมื่อรักษาตัวเดียวได้แหละมันจะไปเมื่อเวลาไหนกับมันไปตัวที่คําว่าทุกข์มันคงจะแไม่ปรากฏแล้วก็เรารักษามันดีแล้วน่ะ ข้างหน้าข้างหลังอะไรมันก็ไม่ไม่มีปัญหาแล้วถ้าเราเรารักษามันได้ดีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทเดี๋ยวนี้บ้านเมืองมันกำลังวุ่นวายอยู่แล้วเราจะทำยังไงโลกมันกำลังวุ่นวายอยู่แล้วนี่จ่คอยจะไปกันเท่านั้นนะที่นี่เราจะไปหวังความเจริญเจริญยังไงนี่จะเจริญไปในทางทุกข์นั่นและ แต่ความสุขของพวกเราอยู่ตรงไหนล่ะนั่นไม่ค่อยจะมีกันเท่าไหรน่นะก็อยู่กันไปอย่างนั้นละ่ะก็ธรรมดาละ่ะเราก็อยู่กันไปก็ไม่ว่าหรอกันนี่ยก็เพรามันเกิดมาแล้วก็จำเป็นก็ต้องอยู่ก็อยู่กันไปแล้วก็มีหน้าที่ทำก็ทำกันไปเพื่อเอาชีวิตรอดของกัเท่านั้นละ่ะเพื่อเอาความอยู่รอดแห่งชีวิตของตัวเองเท่านั้นแหละแต่ะละคนะแต่จะไปหวังความเจริญ แต่เรื่องใเรืความแจ่มันก็ไล่เข้ามาไล่เข้ามาไล่เข้ามา่ามาามาะในความสุดทรมของสองขนันความซุดทรมของร่างกายเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหะเราอย่าได้พากันประมาทให้พากันเราไปคิดให้พากันเราไปพิจรารณาอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราพวกเรา เนี้ยก็จะจากกันไปน่ะจากกันไปที่ละคนละค น, นะเราจะไปปรากฏกันที่ไหนและเราจะไปเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายกันที่ไหนก็หาได้รู้ใหม่นะก็ได้แค่ลำพันธ์ลำพึงถึงกันเท่านั้นน่ะว่าคนนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่างนั้ น, นนะก็ได้แต่เพียงแค่นั้นนะคนที่ลำพึงเนี่ยก็จะไปอีกล่ะคนที่ไปข้างหน้ามันก็ไปแล้วจะทำยังไงมัน นี่เราต้องคิดอย่างนี้นะความขายันหมั่นเพียรของเรามันก็จึงกระเตื้องขึ้นสติมันก็ค่อยจะเตือนตัวเองขึ้นอย่าประมาทนะอย่าอยู่เฉยนะมันจะได้ทำโดยตนเองมีการไหวพระสวดมนต์มีการจเจริญภาวนาทาจิตทำใจของตัวเองนี่แล้วก็เป็นการสะสะแสวงหาบุญให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวของตัวเอง ทำบุญมันก็บทำที่บ้านนี่พระอยู่บ้านคนเราก็เต็มอยู่แต่ละบ้านละบ้านกราบลงไปเถอะไหว้ลงไปเถอะนั่งภาวนาไปเถอะเอาพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธลูกเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นที่พึ่งอาศัยเราอยู่นั้นอย่าไปขั่ท่านนั้น่ะเอาท่านไปแล้วก็ยังเป็นนั่งอยู่เฉยๆก็จะไปนั่งกขาท่านก็กลัวอีกก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทําใหม่ หมืนสองหมื่นสามมื่นก็เช่าไปเป็นชั้นแสนก็เช่าไปแล้วเวลาจะไปนั่งก็ท่านก็ไม่กล้าอีกแล้วก็กลัวอีกก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําไมแทนที่จะให้มันเกิดบุญเกิดกุศลบ้างก็โดยมากก็เอาไปก็เพื่อจะให้เกิดลาบเกิดผลไปอย่างนั้นมันก็เกิดลาบผลมันก็มีอยู่เพราะบุญก็บันดาลอยู่อันนาทของคุณของพระ พุทธลกมันก็หากนีก้ขอช่วยสนับสนุนให้เรามีกำลังใจให้มีศรัทธาที่พอให้เราจะได้ปฏิบัติต่อไปท่านก็ฉลาดเหมือนกันอทธิ์ของท่านก็ฉลาดเหมือนกันแต่ก็หาได้รู้ไหมเพราะฉะนั้นแหละเราทั้งหลายก็ให้พากัน จดจำนำเอาไปเป็นข้อคิดพิจารณาเมื่อหากว่าเราได้เห็นจริงแจ้งโดยประการใดแล้วแล้วก็จงพุทธและปฏิบัติดัดกายว่าจใจจิตของตัวเองให้เป็นไปโดยทานองคลองธรรมแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็จะได้มีความสุข ตามสมควรเจรานะของตัวเองดังที่ได้พันรน า, ามาก็อสมควรเจรกะเวลาพอยุติเอาไว้เตเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยเบ ก, กาละเทนี้